ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีชีวิตนี้น้อยนักหนาเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเดี๋ยกวก็าจากโลกนี้ไปแล้วให้ภาวนาอยู่ทุเมื่อ เตรียมตัวไว้เสมอเสมอไปเตรียมข้อวัดปฏิบัติอันใดก็จะให้ขาดตกปุกค้องผู้เพียรมยายามชำระกิเลสถ้าข้อวัดขาดตกปุกค้องแล้ว มันก็ายากที่มันจะลากิเลสได้พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นแล้วจึงได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้และจึงได้บัญญัติสิกขาบทวินัยไว้เพื่อห้ามความประพฤติของภิกษุ ไม่ให้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งตันหาวิในทรงที่ทรงบร ญ, ญยัติไว้ทั้งหมดนั้นล้วนแต่ป้องกันไม่ให้ตันหาครอบงำจิตใจของภิกษุทางนั้นแหละให้พึงเข้าใจศีลของชาวบ้านก็เหมือนกัน ถ้าไม่สมทานมั่นในศีลห้าประการนั้นมันก็ป้องกันบาปไม่ได้ผู้ใดสมทานมั่นและรักษาให้ดีไม่ขาดตัวคพบ้องแล้วบาปกรรมก็ไม่เกิดเราคิดดูคำสอนของอุเธเจ้า ล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสบาปธรรมออ ก, ก, กจากจิตใจทั้งนั้นเลยอันมนุษย์เราเป็นทุกข์อยู่ในสงสารนี้ก็เพราะกิเลสบาปธรรมนี่เองมันน่วงเหนียวชีวิตไว้คือมันนวงเหนียวดวงกิดดวงนี้นะไว้ ให้ออกจากวัตตาวนนันี้ไปไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจกูได้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็พอใจในการทำข้อวัตปฏิบัติต่างๆเริ่มแต่การทำการงานภายนอก คือการปัดการกวดการรักษาความสะอาดในสถานที่ต่างๆในบริเวณวัดอันนี้มันก็เป็นเครื่องทำให้จิตใจเบิกบานได้เหมือนกันในเมื่อบุคคลมาทำข้อวัดอันนี้ไม่ท้อไม่ถอยจิตใจก็ย่อมเบิกบานพองใส เป็นองั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทำเพื่อภายนอกให้สะอาดสะอานที่ใช้ทำเพื่อภายในด้วยประกอบกันเมื่อภายนอกสะอาดแล้วก็มาทำ ภายในให้สะอาดเพ่งจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่จริงจิงจิตนี้มันจะตั้งมัน่นจะได้ต้องอาศัยการเพ่งนะคำว่าเพ่งนี่หมายความหมายเอาชาญนั่นเองเนี่ยชานนงแปลว่าความเพง่งแต่เพ่ง ผูวาสนาบารมีไม่แก่กล้าพาอก็ไม่ใดบรรลุฌานแต่ได้สมาธิคือว่าได้ใจตั้งมัน่นคำว่าได้บรรลุฌานนะหมายความว่าได้บรรลุแสงสว่าง ขึ้นในจิตใจใจนี่เมื่อมันมีแสงสว่างมากแล้วนะ่มันก็สงบอยู่ได้นานเพราะว่าแสงสว่างแนละ้วมันทำให้ใจเบิกบานพองไซทำให้ไม่พุ่งซ่านไม่คิดพุ่งไปทางอื่นองนั้น ่ผู้ดใดสามารถที่จะเพ่งกิจนี้ให้เกิดความสว่างได้ก็เพ่งสิแต่การเพ่งอ่งนี้มันก็มันก็ยากอยู่เหมือนกันเมื่อเพ่งเข้าไปนิกลตมันต่อต้านมันก็ทำไม่เกิดเวทนาต่างๆขึ้นมา เราก็ไม่ถอยเพ่งเอาจนว่าใจรวมลงไปอย่างนี้แหละถ้าหากว่าไปท้อถอยกับกิเลสซะแล้วจิตใจก็รวมลงไม่ได้จิตใจก็ไม่สว่างอย่างนั้นความสว่างมันเกิดจากความเพ่ง ไม่เข้าใจมีพระสาวกองค์หนึ่งชื่อว่าพระโพธิกะเถระท่านเพ่งฌานเมื่อเพ่งไปเพ่งมาฌานบางเกิดขึ้นแล้วทำให้โรคภัยกำเริบขึ้นมา อ้าวชานี่ยมเสื่อมไปอนนี้ชาเสื่อมไปอีท่านก็นทำกรมเพี้ยนอีกเยียวยาโรคภัยเข้าไปเมื่อโรคภัยสงบลงเพ้งชานก็เกิดขึ้นเพราะชานเกิดขึ้นนี่ก็โรคภัยก็เกิดขึ้นพร้อมกันชานก็เสื่อม อยู่มาท่านก็เลยคิดสั้นเออบุคคลผู้ที่มีใจรอแหละไม่แน่นอนอย่างนี้เราไม่ควรอยู่ในโลกเลยตายเสียดีกว่าเมื่อท่านทำฌานให้เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายแล้วท่านก็ควักอมีตโกนอยู่ในย้มออกมาเชื่อดคอทัวเอง ในขณะนั้นหลอดคอขาดกิเลสก็หมดไปพร้อมกันท่านก็เลยเข้าสู่นิพพานพญามารไม่รู้พญามารไปทูลพระ อ, องค์ให้ทรงทราบว่าสาวกของพระองค์เนี่ยกำลังจะฆ่าทัวตา ย, ยุู่ขอให้พระ อ, องค์เสด็จไปห้าม อ ง, องค์ก็เฉยองค์ก็ไม่เสด็จไปเพราะว่าพราะองค์รู้แล้วว่าพระโคติกาเทระจดสำเร็จอรหัต h a ผลโดวยวิธีกรรมอย่างนี้องเฉยเอาไปเอามาเมื่อพระโคติกาเทระนิพพานไปแล้ว องค์กสร็จไปเยี่ยมศพพยามารก็ตามพระ อ, องค์ไปกราบทูลว่าข้าพระ อ, องค์ตามหาวิญญาณของพระโคธิกาเถระไม่เห็นเลยไม่ทราบว่าท่านไปเกิดที่ไหนพระศาสดาจึงตรัสว่า พระโคติกาเถระนิพพานแล้วพญามารก็จึงได้รู้จึงได้ยุติการรังควานนี่แหละการบำเพ็ญสมมาธรรมนนย่อมมีอาการแปลกแปลกแต ก, แกต่างกันไปไม่เหมือนกันองค์หนึ่งนั่นซื่อสัปพธาต บวชมาแล้วโกรกสัรอยากศึกคิดแล้วคิดเราคิดจยากศึกวันนี้วันหนึ่งมีงูเข้าไปเลื่อยเข้าไปอาศัยอยู่ที่แท่นพระบูชาพระผู้ปฏิบัติศาลาก็ ไปจับงูตัวนั้นใส่ข้องแล้วก็เอาไปจะเอาไปปล่อยมันนี้ท่านพระสัพพทาตันก็ขอขอเอาไปปล่อยเองเหมือนกันพ้าก็เลยมอบให้ท่านเอาลงไปริมน้ำแล้วท่านก็เอามือล่วงเข้าไปในล้องไปลูบหัวมันเพื่อจะให้มันกัด ให้มันตายซ้ำซะอยู่ก็ลำบากมีแต่ความกระสันอยากซึก้เอามือไปลูบหวัวมันมันก็ไม่กัดแย้งงูนี่มันเป็นงูเรือนนะงูไม่มีพิษหว่าเงิท่านก็เลยปล่อยใ ห, ให้มันออกไปออกไปแล้วกลับมา พอถึงวันโกนบัดนี้เระางค์ไหนก็โกนผมกันท่านพระสัพปพปะาก็โกนผมแล้วก็คิดว่าวันนี้เราตายดีกว่าอย่าอยู่มันเลยแก้ไขตัวเองก็ไม่ตกว่างั้น ก็เลยเอาคอไปพาดตอไม้ต่อหนึ่งในวัด น, นั่นและแล้วก็กำหนดจิตใจแน่วแน่แล้วก็จะเอามีดโกนนี่เชื่อดคอตัวเองขอท่านกำหนดใจลงอย่นั้นองค์นี้ไม่ทันได้เชื่อดคอสำเร็จอรหันซะก่อนก็เลยเดินมาหาหมูก้อย เนี่ยความสำเร็จมรค น, นิพพานนะมันแตกต่างกันไปว่าไม่เหมือนกันนะท่านเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ใจเด็ดเดียวจริงจรนะิง ม, มันก็สันอยากศึกมามันก็ศึกไม่ลง อ, อันจะไม่ศึกมันก็มีแต่ทุกข์อยู่ในใจ ท่า น, นคิดว่าจะตัดสินใจซึกมันก็ตัดไม่ลงอย่างอะไรในพรหมจรรย์อยู่อย่างนี้ท่านจึงตัดสินใจดับชีวิตของตัวเองไปซะแต่องค์ที่สองไม่ไม่ถึงกับได้ทำลายชีวิตตัวเอง พอเอามีดโกนไปเจอะคอยสำเร็จอาราหาันแล้วท่านก็เลยไม่สังหารตัวเองผู้ใดจะตายแบบไหนก็ตามถ้าทำกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วพระศาสดาไม่ทรงตำหนิผู้ใดไม่ สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้แล้วตายนั่นพระองค์ทรงทำนี้ว่าเป็นผู้ประมาทดังนั้นในพวกเราให้เพึ่งพากันเข้าใจว่าคนแต่ก่อนเพื่อนก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจึงได้หนีออกบวชบวชมาแล้วเพื่อนก็ตั้ง ใ้ทำความเพียรเพื่อล่า ก, กิเลสตันหาแต่ฟังข่าวดูครัง้งพุทธเจ้านั้นบวชมาแล้วมีศึกกันน้อยมากไม่ศึกนั่นแหละมากเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีวาสนาบา ร, รมีแก่กล้า ด้านั้นบวกเข้ามาแล้วถึงแม่กิเลสมันจะโรมรันเอาอยัางไงท่าก็ตั้งความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ท้อไม่ถอยอดนอนผ่อนอาหารมแม่ร่างกายจะสู้พร้อมลงก็ช่างมัน่นไม่หวั่นไหวว่าแต่ขอให้กิเลสมันเหือดแห้ง ไปจากกิจใจก็พอแล้วท่านดำริในใจอย่างนี้พวกเราก็ขอให้คิดอย่างนั้นขอให้ดำรีในใจว่าการบวชนี่มีจุดประสงค์ที่จะทำความเพียรกาจัดกิเลสออกจากกิจใจ ไม่ได้บวชเพื่อมุ่งหวังอย่างอื่นเลยอันนี้ให้ตั้งใจลงอย่างนั้นถ้าไปมุ่งอย่างอื่นอยู่แล้วไม่ได้ผิดทางพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อเราเห็นโทษของกิเลสอย่างจริงจังเข้าไปแล้วอเอแลวถ้ากิเลส ไม่ตายเราตายตั้งปณิธานลงว้อย่างนี้ก็ทำความเพียรลงเลยไม่เห็นแก่หลับแกนอนไม่เห็นแก่ขบแกชันไม่เห็นแก่ความเน็ตเตยเมื่อยล้าอดทนอดกัน้นลงไป อยนี้เมื่อเราทําความเพียรไม่ท้อไม่ถอยเมื่อตัวไม่ตายกิเลสมันก็ตายแบบนี้อไม่ตายหมดก็ตายได้เพียงบางส่วนก็ยังดีดีกว่ากิเลสไม่ตายซะเลยอืมก็ขอให้ทําความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้ เพราะว่าเมื่อบุคคลพ่ายแพย้ตอกกิเลสสึกขาลาเพศออกไปก็จะไปจกเป็นท่าของปัญหาปัญหามก็จะจูงไปทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดื่มเหล้าเมาสุราอะไรต อ, อะไรไปแหละ เดีวยว่าเป็นเนตได้ไปทำกรรมห้าอย่างนั่นเองนะอย่างใดอย่างนึงหรือว่าหลายอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะมีผลดีอะไรต่อการที่ไปคลองเรือนเน่ก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีการที่เราบวชมาแล้วมาทำความเพีย สละชีวิตตรงเพื่อกำจัดกิเลสให้ออกไปจากกิจใจไม่ใช่สละชีวิตเพื่ อ, อย่างอื่น้องความเพเด็ดเดียวเอาถึงว่ามันจะร่มจะตายเพราะความเพียร น, นั้นมันก็กิเลสมันก็แห้งไปมันก็เบาบางไปถ้าไม่หมดก็ดี ปิดประตูอบายภูมินั่นแหละถ้าไปครองเรือนแล้วรับรองไม่ได้เลยอบายภูมิมันย่อมเปิดอ้ารับคนตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หัตกนรกเนี่ยมันก็ เหมือนมแมลงเม้ า, เาบินเข้าไปนั่นแ้ลไฟร้อนอยังไงมันก็ไม่ฟังมแมลงเม้ า, เาก็บินเข้าไปไฟรวบเอาตกลงมาตายเพราะเนื่องจากมันไม่รู้จากไฟมันนึกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นมันชื่นชมมันจะไปชมแสงสว่างมันไม่รู้ว่า แสงสว่างคือไฟเป็นของร้อนเป็นของไมอย่างนี้นะมันก็จึงบินโผลเข้าไปล้วไฟรวบเอารวบเอาตายกันเป็นกองฉันใดคนเราก็เป็นเช่นนั้นเน่ยมันไม่รู้จักบาปพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องบาปไปก็ไม่สนใจเพราะอาวิชชาตันหนามัน ครอบงมจิตใจแล้วทำใหมืดมนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเดืองกวคนลองเหตุที่จะไปะนรกนะอ่ะก็เพราะวิชาตรานานี่ยมันครอบงาทำให้จิตกระล่างกระเรืองทาให้จิตมัวหมองเลยไม่กลัวบาปกลัรกรรมอะไรเลย คนส่วนหลายเขามากว่ามันจำเป็นเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้กินไม่หาก็ไม่ได้เมื่อจำเป็นบาปก็ต้องบาปไปแล้วทำยังไงส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์เราผู้ที่ได้ฟังคาสอนพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงแต่ว่า ตนนั้นไม่สามารถจะลาบบาปได้ยอมแพ้ต่อบาปอย่างนี้เป็นส่วนมากคนถึงทําบาปได้ถ้ามันไม่ยอมแพ้ต่อบาปแล้วมันมันไม่ทําบาปมันก็ทําความเบียนกรรมจัดมันเลยเแหละทําใจให้สงบเป็นสมาธิลงไปแล้ว บาปอย่างกลางมันก็สงบลงอย่างนี้สำรวมในศินให้บริสุทธิ์เข้าไปแล้วบาปอย่างงาบมันก็สงบไปอย่างนี้นะในวัดว่าในศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงชี้หนทางกําจัดบาปองคให้แล้วผู้ใดสมทานมั่นในศินแล้ว ไม่ยอมล่วงศิลแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเลยเป็นกระเรา์ก็ไม่ได้ทำบาปเพราะว่าเมื่อสมถทานมั่นอยู่ในศิลนนประการแล้วเราจะไม่ล่วงและตายเป็นตายเลยตายกับศิล น, นี่แหละสาะชีวิ ต, ตรงบูชาศิลเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำบาปลรวคนเราแล้วเดี๋ยวก เมื่อเป็นเช่นนียมก็ปิดประตูวายภูมิปิดประตูไปสู่นรกแล้วเป็นเป็ดเป็นสุรุกกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่แล้วมันต้องมีใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะมันจึงได้การกำจัดกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจากหิตใจนี่นะมนเมื่อ บุคคลใดทำความเพียรเด็ดเดี่ยวลงไปตัดทอนกิเลสตัณหาอาวิชชาให้เบาบางออกไปมากแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นมันก็ไม่ได้ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเท่าไรหรอกไม่ได้ทรมานตนรอดร่มรอดตายอย่างเบื้องต้นเมื่อกิเลสยำยามันสงบลงไปแล้วก็ยังแต่อย่างกลางอย่างละเอียด เช่นนี้ก็ทำความเพียรพอสมควรมันก็ระงับได้อย่างเช่นในวัห้าอย่างนี้นะมันเมื่อเราภาคเพียนไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันไม่เดือวิสัยเลยความรักมันก็ดับไปก็ระงับไปถึงมันไม่ขาดเด็ดออกไปมันก็สงบลงมันก็ไม่พุ่งขึ้นมา ควอบงมจิตใจให้ปุ้งซ่านลำคาญต่างๆความชังความเกลียดต่างๆหมู่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยในตัวหนังสือท่านเรียกว่าความไยาบาทคือใจมันผูกใจเจ็บตอบคนใดคนหนึ่ง อยู่แล้วต่ไม่กล้าที่จะไปล้างผลาญชีวิตของผู้นั้นได้ไม่กล้าลงมือได้ก็มีแต่ผูกใจเจ็บไว้อ้เอาเนะชาตินี้เราลังทำลายชีวิตแกไม่ได้ชาติหน้าขอให้เราได้ทำลายมันอันนี้ทันเดียว่ัพยาบาทอืม โ้กแกเจ็บไปอย่างนั้นแต่ในชาตินี้ไม่ไม่สามารถจะทำลายชีวิตเขาได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าพยาบาทนิวรณ์หวงง่วงเหงาหา้านอนต่างๆมูลนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปไปสู่นรกกับไยภูมิถ้าหากว่าบุคคลมาเห็นโทษของมันแล้ว ก็พยายามกำจัดมันไปเรื่อยๆไปเมื่อพยายามไปอย่างนี้มันไม่เหลือวิสัยเรื่องมันนะความง่วงอย่างใดมันก็เบา บ, บางลงไปออถ้าไม่กำจัดมันเลยพอมันง่วงมาแนละ้วก็นอนเสียเช้นนี้นะมันก็ไม่ถอนไม่ถอนออกจา ก, กจิตใจนี่เลยแหละไอ้ความง่วงนี่นะ มันก็ไม่ออกจากร่างกายนี้เลยดังนั้นในเข้าใจพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านปะโสดาบันปะชกิตาคามีพระนาคามีเหล่านี้ความหวงยังมีอยู่นาสาอะไรคนทําพระธรรมดาสามัญ น, นี่มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละ ท่านกำจัดความง่วงได้เด็ดขาดไปแล้วอันนั้นนะดังนั้นถ้าหากว่าเราจัดความตัดความง่วงอย่างหยาบยาบหมุนั้นให้สงบระงับลงไปแล้วมันยังเหลือแต่ความง่วงอย่างกลางมันไม่มีกําลังมากเท่าไหรนะ่นัก นั่งภาวนากำหนดละมันลงไปมันก็ระ ง, งับไปได้ถ้าเป็นความงวงที่เกิดจากบาปอากุศลก็เหมือนอย่างเคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วว่าพ ร, พระศาสดาทรงนำเรื่องราวของพระ ในอดีตนูในศาสนาพุทธเจ้าพราะองค์ใดพงหนึ่งนำมาแสดงก็เพื่อจะให้หน่ากลัวทั้งหลายวัดเข้ามาแล้วให้ได้กำลังใจเหมือนอย่างพระองค์นั้นแต่ก่อนเขาเป็นนายพรานีล่าเนื้อมาให้ลูกค้เมียขายเลี้ยงชีพ มาโดยลำดับวันหนึ่งวันนั้นไปล่าเนื้อไม่ได้อะไรเลยหิวน้ำหมดเลยเวื่อเข้าไปในวัดไปขอน้ำดื่มพระท่านก็บอกว่าอ่น้ำอยู่ไหยอยู่หม้อนั้นติดไปอย่างดีเชิญดื่มได้ตามสบายนายพานไปเปิดฝาปิดหม้อนั้นออกน้ำ ไม่มีอยู่ในหม้อนั้นยัดเดียวก็ไม่มีเลยเปิดหม้อใดก็ไม่มีก็เลยบ่นให้พระร้อยพระนี่ขี้เกียจฉันแล้วก็นอนไม่ตักน้ําตังนองใส่หม้อใส่โอ่งเลยพระท่านได้ยินอย่างนั้นท่านก็บอกว่าอาตมาตักใส่แล้วเต็มไว้หมดทั้ง หายที่เรียงเียงกันอยู่นั้นตักเต็มหมดแล้วเต็มที่ไหนไม่มีน้ำสักยอดเดียวพระท่านก็ลงกุฏิไปไปเปิดฝาหม้อนั้นดูหม้ออะไก็เต็มหมดน้ำเต็มเหมือนเดิมแล้วก็เลยว่าให้นายพานวันนี้แหละคนไม่มีบาปกับคนมีบาปมันแตกต่างกาัน แกได้ทำลายชีวิตสัตว์มากมายแกตายแล้วก็จะไปตกนรกนะเอ อ, อย่างนี้นายพายก็พูดกับภาพว่าเฮ้ยตาบใดถ้าไม่เห็นนรกด้วยตาแล้วผมจะไม่เชื่อเลยจิงหรือถ้าเห็นด้วยตาแล้วจะเชื่อหรือเชื่อ อ้าวถ้าเทานันไปตัดไม้มากองไว้กลางวัดนี้ตัดไปสดๆนะเขาก็ไปตัดไม้มาไปกองไว้แล้วพระเถระเจ้าก็ลงกัคคติมายืนกำหนดอธิษฐานจิตเห็นท่านคงจะเป็นผู้มีฤทธินะ์ทั้งเป็นพระอารหันต์ด้วยและก็มีฤทธิ์ด้วย ท่านก็กำหนดจิตอธิษฐานขอให้แผ่น ด, ดินแยกออกจากกันคงจะเป็นในบริเวณนั้นไม่ใช่ทั่วไปท่านใดนั้นไปในรลกันก็แลบแลบขึ้นมาแต่พื้นดินนู่น อ, อพระเถระก็เรียกพรานป่าคน น, านั้มาดูอนี้มาดูแกก็ไปยืนอยู่ปากเข้วนะั่น ไฟมันก็แลบขึ้นมาแลบขึ้นมาใกล้จะถึงปางเหวลูกไฟดวงหนึ่งก็กระเด็นออกจากปากเหวนั้นไปตกลงกองไม้สดๆกองนั้นขนาดเดียวเท่านั้นก็เป็นเท่าเป็นฐานไปเลยพระเทราทัยจวานนั่นน่นะไปะนรกก็เท่าเท่าแสงหิง่งห้ยนี่ น, นะก็มีอำนาจถึงปานานนเราดูดู อ่าคิดดูให้ดีไปอย่างเงี้ยจะว่านรกไม่มีดูซะกว่า น, นี้นะพวนั้นนายพานก็เลยเห็นด้วยตาตนเองกันเชื่อเลยโอ้หนนรกมีจริงเดยวยแท้พระเทงค์นั้นก็เลยบวชให้พอบวชแล้วท่านก็สอนกรรมฐานให้ไปเจริญภาวนา เข้าใจว่าท่านคงสอนให้เจริญเมต่านี่เนี่ยเพราะว่านั่นเขามันเป็นโจรเป็นพานใจดาอมหิทมามากคงสอนให้เจริญเมตตาแผ่เมตีจิตให้สัตว์ทังลายเป็นสุขทั่วหน้ากันแต่แล้วไปนั่งภาวนาแผ่เมตตาไงยังไงไมันก็ไม่หายง่วงนี่แหละขันบาปนะบาป ถ้ามันบาปมันเกิดขึ้นในกายในจิตจริงๆแนละ้วง่วงเหาเหงาเหานอนอยังไงมันก็กําจัดไม่ได้อืแต่ว่าพระองค์นั้นท่านก็ใจเด็ดใจเดียวเอาไม่นั่งอยู่บนกุฏิมันง่วงเหงาก็าไปนั่งอยู่ลานวัดกลางวัดนั่งอยู่กลางวัดก็เหงาหัานี่ง่วงเอ า, าไป ผัดผ้าอาบน้าแล้วก็ลงไปแช่น้ำในสระในวัดนั้นให้เหลือเพียงแค่คอภาวนามันหนาวจัดมันก็หายห่วงไปพอมันหายง่วงแล้วมันหนาวมากก็ขึ้นมานั่งอยู่ภาวนาอยู่บนบกเอามันก็ง่วงอีกแล้วก็ลงไปแช่น้ามันก็หายง่วง เพื่อนก็แก้ไขวิธีง่วงเหงาอย่างนี้ลงไปในตำราดั้กล่าวไว้ว่าบเพ็ญอยู่ทั้งสิบสองปีจึงได้สำเร็จโสดาภิผลนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนำเรื่องนี้มาแสดงสู่ฟังเพื่อให้เด็กเป็นกำลังกายของกุณบุตรทั้งหลายผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้ตั้งอยู่ในอภิธรรมคือความไว้ความาจดังนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังโอวัตคาสอนของพระเจ้าอย่างนี้แหลก็ให้พึ่งพากันประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้บรรลุผล ท, ที่ตามความมุ่งหมายปรารถนาคือความพ้นทุกภายในสงสารดังแสดงมา